ภิกษุควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมศึกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมศึกเสียการชักภิกษุผู้ศึกแล้วเข้าหาอาบัตเดิมนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาทเดิมนั้นแหละ แกภิกษุนั้นปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาสที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม